สังคสามคีสองอย่างท่านพระบาลีกราบทูลถามว่าสังคสามคีมีเท่าไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีสังคสามคีมีสองอย่างคือสังคสามาคีผิดไปจากอัฏฐแต่ได้พยัญชนะและสังคสามคีได้ทั้งอัฏฐ และได้ทั้งพยัญชนะสังคสมคขีผิดไปจากอัฏฐะแต่ได้พยัญชนะอย่างไรบ้างคือความบาดหมางความทะเลาะความขัดแยง้งความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสงการทำสงให้เป็นต่างต่างกันย่อมมีเพราะเรื่องใดสงไม่ได้วินิจฉัย ไม่ได้สืบสวนเรื่องนั้นแล้วทำสังคะสามะขีอย่างนี้เรียกว่าสังคะสามคขีผิดไปจากอัฏฐแต่ได้พยัญชนะสังคะสามคขีได้ทั้งอัฏฐและได้ทั้งพยัญชนะเป็นอย่างไรคือความบาดหมางความทะเลาะความขัดแย้งความวิวาทความแตกแห่งสง ความร้าวรานแห่งสงฆ์ความแบ่งแยกแห่งสงฆ์การทำสงฆ์ให้เป็นต่างๆกันย่อมมีเพราะเหตุใดสงฆ์ได้วินิจฉัยสืบสวนเรื่องนั้นแล้วทำสังฆสมขี่อย่างนี้เรียกว่าสังฆสมขี่ได้ทั้งอัฏฐะและได้ทั้งพยัญชนะอุบาลีสังฆสมขี่มีสองอย่างนี้แล